ห้าสิบสามเบญจยตรร้านค้าอพชอดีเรากาลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเรากำลังมองหาร้านขายยาเราต้องการซื้อลูกฟุตบอลเราต้องการซื้อซาลา่ elet เราต้องการซื้อยาเซลล์บิสเมทต์ที่จ o ซื้อขายยาเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอลเรากำลัง o อ s o าร้าน o าย m b รื i องกี m าเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามีเรายาดามเ a สเซอร์สต์ออบิสมักคปล l ซ m ลเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้ อ, อยาเรายาดามเอเลการิงออบิกเดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเรายาดมเคลนอมิสว ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ ด, า ด, าดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวา น, าานอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหว น, นอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ เซมตัว i ีสกูปิดฟิล์มอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กเซมตัวีสฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนฉันอยานี่ฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม เรดดามฟุตเปิดไดน่ออบิสม์คูปิลเฟลมดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กเรดดัดมซุคราเรนยออบิสม์คูปิลทอร์ตุ